นานนกัว่าด้วยหมวดการโจดหนึ่งอนุวิชกะอนุโยคว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงถามโจ์ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจ์ภิกษุรูปนี้นั้นโจ์เพราะเรื่องอะไรท่านโจ์ด้วยศีลวิบัติโจ์ด้วยอาจาระวิบัติหรือโจ์ด้วยทิฏฐิวิบัติ ถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่าเข้าพระเจ้าโจทด้วยศีลวิบัติโจทด้วยอาจาราวิบัติหรือโจทด้วยทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจดอย่างนี้ว่าท่านรู้ศีลวิบัติรู้อาจาราวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติหรือถ้าโจท ต, ตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสเข้าพระเจ้ารู้ศีลวิบัติรู้อาจาราวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกร พึงซักถามโจทดอย่างนี้ว่าอาวุโสก็ศีลวิบัติเป็นฉนัยอาจารวิบัติเป็นชนะัยนะทิฏฐิวิบัติเป็นชนะถ้าโจทดนั้นตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสีสังฆทิเส13นี้จัดเป็นศีลวิบัติ์ทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฏทุกภาสิทธิจัดเป็นอาจารวิบัติมิชฌาทิฏฐิอันตกาเห็กระทิฏฐิ จัดเป็นทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจท์อย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจดภิกษุรูป น, นี้นั้นท่านโจดด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่าเขาพเจ้าโจดด้วยเรื่องที่เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจท์อย่างนี้ว่า อาวุโสข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นนั้นท่านเห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นเมื่ อ, อไรเห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธ์หรืออนหนึ่งท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทําอะไรอยู่ ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู่ถ้าโจตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสเขาพเจ้าไม่ได้โจภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นแต่เขาพเจ้าโจด้วยเรื่องที่ได้ยินภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพ์พึงซักถามอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจทภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินนั้นท่านได้ยินอะไรได้ยินอย่างไรได้ยินเมื่ อ, อไรได้ยินที่ไหน ท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุ ก, ทกภาสิทธหรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีสิกขมานาสามนเณรสามนเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาตะดิรัติ สาวกของดรัีหรือถ้าโจตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสเขาพระเจ้าไม่ได้โจดภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินแต่ว่าโจดด้วยเรื่องที่นึกสงสัยภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักถามอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจดภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่นึกสงสัยนั้นท่านนึกสงสัยอะไรนึกสงสัยอย่างไรนึกสงสัยเมื่อไรนึกสงสัยที่ไหน ท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปราชิกหรือท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศตถุนละใจปาจิตตีปาติเทสนยะทุกกฎทุกพาสิทหรือท่านได้ยินจากภิกษุแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากภิกษุณีสิกขมานาสามนเณรสามนเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาต เดียร์ธีสาวกของเดียร์ธีแล้วนึกสงสัยหรือเปรียบเทียบอธิกรณ์เรื่องที่ได้เห็นสมด้วยเรื่องที่ได้เห็นเรื่องที่ได้เห็นเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้เห็นและบุคคล น, นั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการเห็นบุคคล น, นั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัตตามปฏิญญาพึงทำอุโบสถกับบุคคล น, นั้นเรื่องที่ได้ยินสมด้วยเรื่องที่ได้ยิน เรื่องที่ได้ยินเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ยินแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ยินบุคคลนั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัติตามปฏิญญาพึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเรื่องที่ได้ทราบสวมด้วยเรื่องที่ได้ทราบเรื่องที่ได้ทราบเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ทราบแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ทราบบุคคลนั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์ พึงปรับอาบัตตามปติญญาพึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเถิดข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ถามการโจ์มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการโจ์มีโอกาสเป็นเบื้องต้นมีการทำเป็นถ้ำกลางมีการระงับเป็นที่สุดถามการโจดมีมูลเท่าไรมีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไร โจดด้วยอาการเท่าไรตอบการโจดมีมูล2มีวัตถุ3 ม, มีภูมิ5โจดด้วยอาการ2 อ, อย่างถามการโจดมีมูล2เป็นฉไนตอบการโจดมีมูลการโจดไม่มีมูลนี้การโจดมีมูล2ถามการโจดมีวัตถุ3เป็นฉไนตอบเรื่องที่ได้เห็นเรื่องที่ได้ยินเรื่องที่นึกสงสัย นี้การโจทย์ม right. ีวัตถุสามถามการโจทย์มีภูมิ5เป็นฉไนตอบ 1. จากโจทย์โดยการที่สมควรจากไม่โจทย์โดยการไม่ควร 2. จากโจทย์ด้วยเรื่องจริงจากไม่โจทย์ด้วยเรื่องไม่จริง 3. จากโจทย์ด้วยคำสุภาพจากไม่โจทย์ด้วยคำหยาบ 4. จากโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จากไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. จากมีเมตตาจิตโจ์จากไม่มุ่งร้ายโจรนี้การโจ์มีภูมิหถามโจรด้วยอาการสองอย่างเป็นไนตอบโจทด้วยกายโจ์ด้วยวาจานี้โจ์ด้วยอาการสองอย่าง กทกตาทิปฏิปติว่าด้วยข้อปฏิบัติของโจดเป็นต้นโจดพึงปฏิบัติอย่างไรจำเลยพึงปฏิบัติอย่างไรสงพึงปฏิบัติอย่างไรภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงปฏิบัติอย่างไรถามโจดพึงปฏิบัติอย่างไรตอบโจดพึงตั้งอยู่ในธรรมหอย่างแล้วจึงโจดผู้อื่นคือหนึ่งจากโจดโดยาการที่สมควรจากไม่โจดโดยาการไม่ควร 2. จักโจด้วยเรื่องจริงจักไม่โจด้วยเรื่องไม่จริง 3. จักโจด้วยคำสุภาพจักไม่โจด้วยคำหยาบ 4. จักโจด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จักไม่โจด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. ้าจักมีเมตตาจิตโจ์จักไม่มุ่งร้ายโจดโจดพึงปฏิบัติอย่างนี้ถามจำเลยพึงปฏิบัติอย่างไรตอบจำเลยพึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการ คือหนในความสัตว์ 2. ในความไม่ขุนเคืองจำเลยเพึงปฏิบัติอย่างนี้ถามสงพึงปฏิบัติอย่างไรตอบสงพึงรู้คําที่เข้าประเด็นและไม่เข้าประเด็นสงพึงปฏิบัติอย่างนี้ถามภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไรตอบภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงระงับอธิกรณ์นั้น โดยประการที่อธิกรณ์นั้นจะระงับโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงปฏิบัติอย่างนี้ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้นถามอุโบสถเพื่อประโยชน์อะไรปวารณาเพื่อเหตุอะไรปริว่าเพื่อประโยชน์อะไรการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่อเหตุอะไรมานัสเพื่อประโยชน์อะไรอภานเพื่อเหตุอะไรตอบ อุโบโสถเพื่อประโยชน์แก่ความพร้อมเพรียงปวารณาเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดปริวาเพื่อประโยชน์แก่มานัตการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่อประโยชน์แก่นิฆะมานัตเพื่อประโยชน์แก่อภานอภานเพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรมีปัญญาซามโง่เขลาและไม่มีความเคารพในศิกขาบริภาาพระเถระลำเอียงพระชอบลำเอียงพระชัง ลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงเป็นผู้ขุดตนกำจัดอินทรีย์แล้วเพราะกายแตกย่อมเข้านรกภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงเห็นแก่อามิ t และไม่พึงเห็นแก่บุคคลควรเว้นสองอย่างนั้นแล้วทำตามที่เป็นธรรม 3. โจทกัสะอัตตชาปณะว่าด้วยการเผาตนของภิกษุผู้เป็นโจดโจเป็นผู้มักโกรธมกักเถรโกรธ ดุร้ายมักกล่าวบริภาทย่อมปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทกระซิบใกล้หูคอยจับผิดทำให้บกพร่องเสพทางผิดย่อมปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทโจดโดยการอันไม่ควรโจทด้วยคาไม่จริงโจดด้วยคำหยาบโจดด้วยคาไม่ประกอบด้วยประโยชน์มุ่งร้ายโจท ไม่มีเมตตาจิตโจรปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัตโจรจเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจรจไม่รู้ธรรมและอาธรรมไม่ฉลาดในธรรมและอาธรรมปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัตโจรจเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจรจไม่รู้วินัยและไม่ใช่วิไยไม่ฉลาดในวิไยและไม่ใช่วิัยปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัตโจรอนาบัติว่าอาบัต โจ์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตพาสิทธไว้และไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระตถาคตพาสิทธไว้และไม่ได้พาสิทธไว้ปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัตโจทย์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาและไม่ได้ทรงประพฤติมาไม่ฉลาดในสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาและไม่ได้ทรงประพฤติมา ปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจดไม่รู้สิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้และไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ฉลาดในสิ่งที่พระธถาคตทรงบัญญัติไว้และไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจดไม่รู้อาบัตและอนาบัตไม่ฉลาดในอาบัตและอนาบัตปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัต โจดเช่นนั้นชื่อว <t os baggage> ่า <t> ย <os Jazz> ่อมเผาตนโจดไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักไม่ฉลาดในอาบัติเบาและอาบัตหนักปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจดไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือไม่ฉลาดในอาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัตโจดเช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตน โจ์ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบไม่ฉลาดในอาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจท์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจทย์ไม่รู้คำต้นและคำหลังไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังปลูกอนาบัตว่าเป็นอาบัตโจท์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนโจ์ไม่รู้ทางถ้อยคำอันต่อเนื่องกันไม่ฉลาดต่อทางถ้อยคำอันต่อเนื่องกัน ปลูกอนาบัติว่าเป็นอาบัติโจท์เช่นนั้นชื่อว่าย่อมเผาตนแลโจทนากันจบหัวข้อประจำกันการโจ์ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์เป็นเบื้องต้นมีมูลอุโบสถคติเป็นคำสั่งสอนที่คงอยู่ในโจทนากัน รสงคามว่าด้วยภิกษุเข้าสู่จุลสงคราม 1. อนุวิชชกัสะปฏิปติว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์อันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกรงมีจิตเสมอด้วยผ้าเชตุลีเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งรู้จักการนั่งไม่เบียดภิกษุผู้เทระ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 ไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัทเพึงวินิจฉัยโดยการอันควรไม่พึงวินิจฉัยโดยการไม่ควรพึงวินิจฉัยด้วยกคำจริงไม่พึงวินิจฉัยด้วยกคำไม่จริงเพึงวินิจฉัยด้วยกคำสุภาพไม่พึงวินิจฉัยเลือกคำหยาบพึงวินิจฉัยด้วยกคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงวินิจฉัยด้วยกคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์พึงเป็นผู้มีเมตตาจิตวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้มุ่งร้ายวินิจฉัย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 พึงสังเกตโจดพึงสังเกตจำเลยพึงกำหนดรู้ผู้โจดไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจดไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้โจดเป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจดเป็นธรรมพึงกำหนดข้อความพึงเปิดเผยผู้ไม่สะอาดที่สองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่นไม่แซมข้อความอันเขาไม่ได้กล่าวพึงจำบทพยัญชนะอันเข้าประเด็นไว้เป็นอย่างดีสอบสวนจำเลย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 เมื่อวินิจฉัยอธิควรด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพที่สรรเสริญแห่งสะพรมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้นสูตรเพื่อประโยชน์กับการเทียบเคียงข้ออุปมาเพื่อประโยชน์กัการชี้แจงเนื้อความเพื่อประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจ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 การพิจารณาเพื่อประโยชน์การรานานะการรู้ฐานะและไม่ใช่ฐานะการรู้ฐานะและไม่ใช่ฐานะเพื่อประโยชน์กการข่มบุคคลผู้เกอ้อยากเพื่อประโยชน์กการยกย่องเหล่าภิกษุมีศีลดีงามสงเพื่อประโยชน์กัการสอดส่งและรับรองบุคคลที่สงอนุมัติแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งเฉพาะตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้น วินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสํารวมความสํารวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมดความปราโมดเพื่อประโยชน์แก่ความปีติความปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัจสถานิปัสสถานิเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริงความรู้เห็นตามเป็นจริง เพื th, ่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำนัดความคลายกำนัดเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปนิพนธ์การกล่าวมีอนุปาทานิพนธ์นั้นเป็นประโยชน์การปรึกษามีอนุปาทานิพนธ์นั้นเป็นประโยชน์ ความเป็นปัจัจกันมีอนุปาทานิพันน์นั้นเป็นประโยชน์ความเงี่ยโสสดับมีอนุปาทานิพันนนั้นเป็นประโยชน์คือความพ้นวิเศษแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นอนุโยควัตวัดในการซักถามเธอจงพิจารณาวัดในการซักถามอนุลมแกลสิขาบทอันพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดมีพระปัญญาทรงวางไวตรัสไว้ดีแล้ว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 ภิกษุผู้เช่นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรเลือกอันหนึ่งภิกษุไดรู้กรรมอาธิกรและเข้าใจสมถะเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองและไม่หลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงฉลาดในสัญญาต์ฉลาดในการพินิจเป็นผู้ได้พักพวกมีความละอายมีกรรมขาวมีความเคารพภิกษุผู้เช่นนั้นเช่นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรเลือก จูและสงครามจบหัวข้อประจำเรื่องภิกษุผู้เข้าสงครามพึงมีจิตยำเกรงถามหนักในสงฆ์ไม่หนักในบุคคลสูตรเพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงวินัยเพื่ออนุเคราะห์หัวข้อตามที่กล่าวนี้มีอุเทศอย่างเดียวกันท่านจัดไว้ในจูและสงครามแล สงครามว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่มหาสงครามหนึ่งโวหรันเตนะชานิตพาธิว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้เป็นต้นอันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อกล่าวในสงฆ์พึงรู้วัตถุพึงรู้วิบัติพึงรู้อาบัตพึงรู้นิทานพึงรู้อาการพึงรู้คำต้นและคำหลัง พึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำพึงรู้กรรมพึงรู้อธิกรพึงรู้สมถะไม่พึงลำเอียงเพราะชอบไม่พึงลำเอียงเพราะชังไม่พึงลำเอียงเพราะหลงไม่พึงลำเอียงเพราะกลัวพึงชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงพึงพิจารณาในฐานะที่ควรพิจารณาพึงเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งพึงเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ไม่พึงดูหมิ่นฝ่ายอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พวกแล้วไม่พึงดูหมิ่นผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมากไม่พึงดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วเสื่อมไปจากพระธรรมวินัยอธิกรณ์นั้นจะระ ง, งับด้วยธรรมใดด้วยวินัยใดด้วยสัตุศาสตร์ใด พื่ให้อธิกรนั้นระ ง, งับด้วยวิธีนั้นว่าด้วยการรู้วัตถุคำว่าพึงรู้วัตถุนั้นคือพึงรู้วัตถุแห่งปราชิก8ปสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งสังขารทิเศษยีสสามสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งอนิยตะสอสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งนิสสคี42สิบกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งปาจิตตร้อยแสิบแปสิกขาบท พึงรู้วัตถุแห่งปาติเทศนียะสิบสองสิกขาบทพึงรู้วัตถุแห่งทุกกฎพึงรู้วัตถุแห่งทุกภาสิทธ์ว่าด้วยการรู้วิปัติคำว่าพึงรู้วิปัตินั้นคือพึงรู้ศีลวิปัติพึงรู้อาจารวิปัติพึงรู้ทิฏฐิวิปัติพึงรู้อาชีววิปัติว่าด้วยการรู้อาบัติคำว่าพึงรู้อาบัตินั้น คือพึงรู้อาบัติปารชิกพึงรู้อาบัติสังฆาทิเศษพึงรู้อาบัติทุนละใจพึงรู้อาบัติปาจิตตีพึงรู้อาบัติปาติเทสนิยะพึงรู้อาบัติทุกกฎพึงรู้อาบัติทุกพาสิท์ว่าด้วยการรู้นิทานคำว่าพึงรู้นิทานนั้นคือพึงรู้นิทานแห่งปารชิกแปดสิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งสังฆาธิเศสิบสสิกขาบท พึงรู้นิทานแห่งอนิยตะสองสิบขาบทพึงรู้นิทานแห่งนิสักคีสี่สิกขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาจิตตี1 8 8่สิบขาบทพึงรู้นิทานแห่งปาติเทศนิยะสิสองสิขาบทพึงรู้นิทานแห่งทุกกฎพึงรู้นิทานแห่งทุกภาสิทธ์ว่าด้วยการรู้อาการคำว่าพึงรู้อาการนั้นคือพึงรู้สง์โดยอาการ พึงรู้คณะโดยอาการพึงรู้บุคคลโดยอาการพึงรู้โจทย์โดยอาการพึงรู้จำเลยโดยอาการข้อว่าพึงรู้สงโดยอาการนั้นคือพึงรู้สงโดยอาการอย่างนี้ว่าสงหมู่นี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์หรือไม่หน้อข้อว่าพึงรู้คณะโดยอาการนั้นคือพึงรู้คณะโดยอาการอย่างนี้ว่า คณะนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตว์ศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้บุคคลโดยอาการนั้นคือพึงรู้บุคคลโดยอาการอย่างนี้ว่าบุคคลนี้จะสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุ์ศาสตร์หรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้โจทย์โดยอาการนั้นคือพึงรู้โจทย์โดยอาการอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้จะตั้งอยู่ในธรรมห้าประการแล้วโจ์ผู้อื่นหรือไม่หนอข้อว่าพึงรู้จำเลยโดยอาการนั้นคือพึงรู้จำเลยโดยอาการอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้จะตั้งอยู่ในธรรมสองข้อคือให้การตามจริงและไม่โก evet. รธหรือไม่หนอว่าด้วยการรู้คำต้นและคำหลังคำว่าพึงรู้คำต้นและคำหลังนั้นคือพึงรู้คำต้นและคำหลังอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้ย้ายวัตถุจากวัตถุย้ายวิวยยวบัติจากวิบัติย้ายอาบัติจากอาบัติปฏิเสธแล้วกลับปฏิญาณปฏิญาณแล้วกลับปฏิเสธหรือสับเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหรือไม่นอว่าด้วยการรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคำว่าพึงรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นคือพึงรู้เมถุนธรรมพึงรู้ข้ออนุโลมแก่เมตุนธรรม พึงรู้บุพพ่าแห่งเมถุนธรรมข้อว่าพึงรู้เมทุนธรรมนั้นคือพึงรู้กิจที่กระทํากันสองต่อสองข้อว่าพึงรู้ข้ออนุโลมแก่เมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้เรื่องภิกษุของภิกษุอื่นด้วยปากของตนข้อว่าพึงรู้บุพพ่าแห่งเมถุนธรรมนั้นคือพึงรู้สีมิใช่สีการถูกต้องกายวาจาชั่วยาบ การบำเรอความใคร่ของตนการใช้คําชักชวนว่าด้วยการรู้กรรมคําว่าพึงรู้กรรมนั้นคือพึงรู้กรรม16อย่างคืออปโรกนักกรรม 4. ี่ยติกรรมสี่ยติทุติยกรรม4ี่ยติเจตุทกกรรมสว่าด้วยการรู้อธิกรคําว่าพึงรู้อธิกรนั้นคือพึงรู้อธิกรณสี่ คือหนึ่งวิว า, าทิกร 2. อนุว า, าทิกรส อ, อาปตตาทิกร 4. กิ 4. จจทิกรว่าด้วยการรู้สมถะคำว่าพึงรู้สมถะนั้นคือพึงรู้สมถะเจ็ดคือหนึ่งสามุขาวินยัยสองเยปุยสิกาสสติวินัยสอมูลหาวินัย 5. ปติญญาตะกรณะ 6. ตัสปาปิยศสิกา 7. ตินนวัาระกะ 2>, 2. อาคติอคันตพะว่าด้วยภิกษุไม่พึงลำเอียงไม่ลำเอียงพราะชอบคำว่าไม่พึงลำเอียงพราะชอบนั้น คือภิกษุผู้ลำเอียงพระชอบอย่างไรจึงชื่อว่าลำเอียงพระชอบภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าท่านผู้นี้เป็นอุปชาเป็นอาจารย์เป็นสัตวิทวิหาริกเป็นอันเทวาสิกเป็นผู้ร่วมอุปชาเป็นผู้ร่วมอาจารย์เป็นผู้เคยเห็นกันมาเป็นผู้เคยร่วมครบกันมาหรือเป็นญาสาโลหิกของเราดังนี้แล้วเพื่ออนุเคราะห์ผู้นั้น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 พระตาคตได้ทรงบัญญัติ 10. แสดงสิ่งที่พระตาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 11. แสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัต1ิ 12. แสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัต1ิ 13. แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนัก 14. แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบา 15. แสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบ 18. บแแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบภิกษุผู้ลำเอียงเพราะชอบด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุผู้ลำเอียงพระชอบด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้เป็นผู้ถูกขุดถูกกําจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงตําหนิและย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุผู้ลำเอียงพระชอบย่อมลำเอียงพระชอบอย่างนี้ว่าด้วยไม่ลำเอียงพระชัง คำว่าไม่พึงลำเอียงพระชังนั้นเคอภิกษุผู้ลำเอียงพระชังอย่างไรจึงชื่อว่าลำเอียงพระชังภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ผูอาคาดว่า 1. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. ผู้นี้กลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. ผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราส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 แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุอาฆาตปองร้ายขุนเคืองถูกความโกรธครอบงำด้วยวัตถุอาฆาต9ก้าอย่างนี้ย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอาธรรมละถึงแสดงอาบัตชั่วยาบว่าต้องอาบัตไม่ชั่วยาบ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 เป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงตำหนิและย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากภิกษุผู้ลำเอียงเพราะชังย่อมลำเอียงเพราะชังอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะหลงคำว่าไม่พึงลำเอียงเพราะหลงนั้นคือภิกษุผู้ลำเอียงเพราะหลงอย่างไรจึงชื่อว่าลำเอียงเพราะหลงภิกษุเป็นผู้กำนัดย่อมลำเอียงด้วยอานาจความกหนัด เป็นผู้ขุนเคืองย่อมลำเอียงด้วยอำนาจความขุนเคืองเป็นผู้หลงย่อมลำเอียงด้วยอำนาจความหลงเป็นผู้ถูกทิฐิลูปคลาย่อมลำเอียงด้วยอำนาจทิฐิภิษุเป็นผู้หลงงมงายอันความหลงครอบงำย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอาธรรมและถึงแสดงอาบัตชั่วยับว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบ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 เป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงตําหนิและย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากภิกษุผู้ลำเอียงเพราะหลงย่อมลำเอียงเพราะหลงอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะกลัวคําว่าไม่พึงลำเอียงเพราะกลัวนั้นเคอภิกษุผู้ลำเอียงเพราะกลัวอย่างไรจึงชื่อว่าลำเอียงเพราะกลัวภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้คิดว่าผู้นี้อาศัยความประพฤติไม่เรียบร้อย อาศัยความยึดถืออาศัยพักพวกมีกําลังเป็นผู้ร้ายกาดหยาบคายจากทําอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจันทร์ดังนี้จึงกลัวภัยจากผู้นั้นย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอะธรรมละถึงแสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยหยาบแสดงอาบัตไม่ช่วหยาบว่าเป็นอาบัตช่วยหยาบ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 และย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากพิกษุผู้ลำเอียงเพราะกลัวย่อมลำเอียงเพราะกลัวอย่างนี้นิคมกถาผู้ใดประพฤติล่วงทำเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้น